พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตานรงศักดิ์ีนาเรยวตอนสารพันปัญหาของนักภาวนาไม่ได้ปล่อยวางเว้ยไม่ใช่มันมันมันกลับไปสะกดไว้เฉยไม่ได้ปล่อยวางมันทำให้น้อยใจง่ายถ้าทำแบบนี้มันจะยิ่งน้อยใจง่ายกระทบไม่ได้เลย ก็โทษตามตาไหลเลยนะเพราะว่ามันไปไปไปกดจิตเอาไว้มันไม่ได้ปล่อยวางปล่อยวางไว้ถึงว่ามีอาการน้องจิตเราก็ปล่อยวางอาการน้องจิตไปมีอาการนองจิตเราก็ปล่อยวางอาการน้องจิตเราไม่มีตัวเราอะไม่มีตัวเราเข้าไปเป็นนี่เราพยายามจะทําจิตให้มันเนี่ยให้เป็นอย่างที่เราต้องการเราพยายามทําให้จิตเนี่ยมันเป็นอาการอย่างที่เราต้องการแต่เราไม่ได้ปล่อยวางอาการของจิตคือตัวเราไม่มีไง ตัวเราไม่มีเมื่อเมื่อจิตมันแสดงอาการไงเราก็ปล่อยปล่อยวางอาการจิตไปองคือไม่มีตัวเราไปปล่อยวางแต่หมายถึงว่าปล่อยวางให้อาการของจิตนั้นมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นเนาะอมานไ่ไนพวกมันเนี่ยเขาเขาอ่านแล้วเนี่ยเดินมีเสียงเราตอบคือคือเหมือนกับว่าจะทําอาการจิตของเราให้มันนิ่งสงบเออใช่ใช่อย่างนั้นเราผิดมันเป็นบีบบังคับจิตคือเราพยายามพยายาจิตของเราให้มันนิ่งสงบแต่ความจริงเนี่ยจิตมันเหมือนเด็กมันลิงป่ามันลูกเราจิตเนี่ย พระพเจ้าสรัสว่าจิตเนี่ยมันเหมือนลิงป่าหรือเหมือนลูกเราแต่เราเนี่ยเหมือนกับเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้เป็นผู้ฝึกลิงนั้นเราไปเข้าใจผิดว่าไอ้จิตเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแต่พระเจ้าสรัสว่าจิตเนี่ยมันเหมือนลิงป่าแต่เราเนเปรียบเหมือนว่าเป็นลูกเราส่วนเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ น, นั้นเราเนี่ยไม่ได้จิตจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันมันกล็ละอันกันเราเลยไปบิดบังคับพยาแม่ ใจิตเนี่ยมันนิ่มันมันสงบมัเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยถูกเบีบกระคาบจนมันเสียสภาพแสดงว่าเราต้องปล่อยวางอาการของจิตต้องวางวางอาการของจิตที่มันเกิดขึ้นพูดจะถูกแล้วถูกลถูกแแต่ไม่ได้แต่ว่ายังไม่ทำไม่ได้ใช่ยไม่ใช่ไม่ใช่ คือเหมือนกับว่าความเป็นพ่อแม่เนี่ยก็คงยังมีอยู่คือคสติปัญญาเนี่ยความเป็นพ่อแม่เนี่ยก็ยังอยู่ส่วนจิตที่แสดงอาการเนี่ยเหมือนลูกเนี่ยความเป็นพ่อแม่ที่ที่คอยดูแลเขาให้ปลอดภัยแต่ไม่เอาใจเข้าไปยึดอย่างเนี้ยยังมีอยู่แต่ใจไม่เข้าไปยึดเขาว่าเขาเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราแต่เราเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องสังเกตเรียนรู้ทำความเข้าใจเขาแต่ไม่ใช่ไปไปกดขับเขาแล้วก็ไม่ใช่เราปล่อยวางโดยไม่รู้ไม่ดูแลไม่ใช่นะคือมันผิดทั้งสองด้านคือว่าด้านหนึ่งเนี่ยคือเราจะเข้าไปกดเขาเลยคิดว่าเราจะไปบังคับเนี่ยจิตนี้ยเป็นของเราอีกด้านหนึ่งคือปล่อยวางไม่ดูแลเลยแล้วคือปล่อยปล่อยไม่ดูไม่ไม่แลไม่ทำอะไรเลยแสดงว่าทุกวันนี้ที่ที่เป็นอยู่ก็คือว่าบางทีก็เหมือนกับไปไปไปไป ใส่ใจกับอาการจิตมากเกินไปไ<ม>แล้วบางทีเราไปยึดจิตเป็นเราเลยเป็นตัวเราเราไม่ได้เหมือนเป็นลูกเราอะแต่ะบางขนาดที่ปล่อยก็คือเหมือนกับปล่อยงผ่านเอ อ, เออมันจะไม่ถูกต้องสองทาง น, นะคือก็เหล็กต้องต้องปรับตรงนี้เช่นกันใช่ใชมปาปรับความเข้าใจใหม่ปรับความความรู้สึกในการที่จะปล่อยวางเขาแล้วก็ในการที่จะก็เหกเลี้ยงลูกในใจที่ปล่อยวางอะ ทำไงเลี้ยรงลูกในใจที่ปล่อยวางหรือดีฝ่ายใคคือเรียนลูกในฝ่อยวางที่ว่าปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางหน้าที่ไปฝ่าละเลยคือก็ก็ดูแลเขาอยู่แต่ต้องใจปล่อยวางก็หน่อยเนี่ะบางทีเนี่ยหลายคนนะพาลูกมาหาเราทุบคัดมันก็จนเสียสภาพเสียสภาพแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวเอามาให้จานแก่มาบวชกับเราแล้วให้เราช่วยแก่เราบอกคุณไม่เราไปรับแก่มันมันคือเลี้ยงทั้งหมดสภาพทั้งหมดเลย่ะมันมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันก็เลยอยากจะขอคิดว่าเราก็ค่อยค ค่อยๆค่อยๆแกค่อะไรล่ะเขาเรียกว่าไงปรับความเข้าใจใหม่ปรับความเข้าใจใหม่กค น, นั้นแหละควาจิตเราไม่ใช่ไม่ใช่เราไ ม, ไม่ใช่ตัวเราไม่ของเราไม่ใช่ว่าเราไปบังคับเขาถ้าเป็นเป็นเราเราก็จะพยายามไปครอแย่ตายถ้าเห็ว่าเออเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นลูกก็ทํำไงจะเรียงลูกเั็นฉลาดนะอ่ะไปกดจนแย่เลยไปกดก็คือว่าไปบัะคับลูกเราเป็นงั้นลูกจะต้องเป็นอย่างนี้ลูกจะต้องเป็นอย่างนั้ต น, างงนตามที่พ่อแม่เราถามเด็กทุกคนมาว่า หนูอยากเป็นอะไรพ่อกับแม่เห็นเด็กแต่เราคนพูดอย่างเงี้ยพ่อกับแม่เขาอยากให้ผมเป็นโน่นเป็นนี่แต่จริงๆเดี๋ยวเดียวถ้าหนูตัวหนูอยากเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหนูไม่อยากผมไม่อยากเป็นหนูไมอยากเป็นนะแต่พ่อแม่เขาอยากให้ให้ผมเป็นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเสียไปหมดเลยเสียหายทีนจะไปไปอยู่โรงเรียนที่จะหลานใช่ไหมไปอยู่ที่ ดีพวกผิดจลาจลาก็เพิ่งเรียนที่เขามีอะไรลนะฝ่ายในแนวที่เก่งๆเนี่ยเขาก็จะซับแล้วสังเกตพฤติกรรมของเด็กใช่ไหมอาจารย์อาจารย์รู้อยู่แล้วเนี่เป็นฝ่ายจำฝ่ายปกคอรองด้ีกว่าไม่ใช่ไหมใช่ใช่ฝ่ายปกคอรองของธรรมศาสตร์ด้วยแล้ว น, นั้นแล้วก็จะต้องสังเกตใช่ไหมว่าเด็กมีความสามารถอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาส่งเสริมเข้าไปในทางที่เป็นความสามารถอย่างเงี้ยนั้น ถ้าเราไปบีประครับเด็กจนหมดความสามารถไปอ่ะมันก็แย่เลยเด็มันก็แย่มันมันมันพดสภาพเราใจไหมออแต่ว่ายังทําทำไม่ได้ก <c oughs> ็คือคงอาจจะได้บ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดปล่วางไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคือเราจะเอาตัวเราไปปล่อยวางไม่ได้ เราเนี่ยจะเอาตัวเราไปปล่อยวางไม่ได้แต่มันนี่ว่าเราเพียนแบบเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เหมือนกับว่าในในเนี้ยมีคนนั้นคนนี้คนคนนั้นนี้ไมมีของนั่นไม่ีของนี่มีอยู่อย่างเนี้ยแต่เราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ที่รู้อยู่แต่ตัวตนไม่มีเรียกว่าถาตรู้เป็นธรรมชาติที่รู้แต่ตัวตนไม่มีมันก็เหมือนกับความว่างของห้องเนี่ยแต่มันรู้ว่าทุกคนอยู่ในห้องเนี่ยเป็นเด็กคนนึงเข้าวนนี้ออกคนนึงเข้าวันนี้ออก มันยังมันเหมือนยังมันเหมือนยังเกาะอยู่อ่ะความรู้สึกของตัวเองเหมือนมันยังเกาะอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าตัวเองมันเกาะเกาะอยู่ครับอมันเหมือนยังยังเหมืนยังไม่ไม่ไม่ไม่คลายออกมันยังเกาะใช่สมมุติว่าเราบอกไว้ไอความรู้สึกของสองตัวเองที่มันยังเกาะอยู่ แล้วเราก็พยายามจะเอาไว้ในของทุกอย่างในในจานเนี่ยเราก็พยายามมันยังไม่คลายคือเราจพยายามเอามันออกเราบอกว่ามันมันได้แต่รับรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ไม่มีใครที่จะเอาออกหรือใครจะจับหรือใครจะวางเพราะตัวเราไม่มีมันจะมีอาการเกาะกันเนี่ยเหมือนกับไอ้เม็ดลูกปุนแตแล้วเม็ดเนี่ยที่มันเกาะกันเนี่ยมันจะมีอาการเกาะกันก็เกาะกันไปเราก็ไม่คิดว่าจะไอ้เม็ดลูกปุนเนี่ยมันแยกจากกันเพราะเราไม่มี เราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีเป็นแต่ธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนแล้วในเม็ดมันจะเกาะกันยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาเออใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราสักอันนึงอ่ะเรื่องของเขาไม่เรื่องคือเขาจะเกิดยังไงเลยอะคือเขาจะเกิดยังไงก็เรื่องของเขาเขาก็ไม่มีเราครมีแต่เขาแต่ว่าคือคือทุกวันนี้เรายังมีความรู้สึกว่า มันเกิดอะไรเงี้ยเราก็ยังเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันมีเรามีเขามะมันมีเรามีเขาแล้วก็เลยบอกคือต้องทำหรือว่าเราทําไม่ได้คือหนูทําไม่ได้หนูทําไม่ได้ก็มันมีหนูกับมีเขายังไงมีเรามีเขาคือเราไม่มีมีแต่เขาเนี่ยก็จะเป็นอะไรก็ก็จะกอดกันก็กอดกันไปเราก็ไม่พยายามไปแกะออกก็ปล่อยไปเรื่องเขาอ๋อใช่เพราะเราไม่มีเงียเราไม่เราไม่พยายามไปทับปล่อยก็คือคือเขาต้องเป็นของเขาอะเราก็เป็นเพราะเราไม่มีเราเป็นธาตรู้ด้วยมีตัวตน แต่เรายังรู้สึกทําว่าให้เรายังยังมีความรู้สึกว่าเรายังมีตัวตนอยู่มันก็เลยมีตรงนั้นอยู่แม้แต่ความรู้สึกก็มีตัวตนก็ไม่ใช่เราอีกมันเป็นความคิดที่ปรุงแต่งเป็นความคิดปรุงแต่งเราไม่ทําอะไรเราไม่ได้ทําอะไรมันนะแต่ความที่มันคิดปรุงแต่งได้ว่าเป็นตัวตนเน่ยมันก็ไม่ใช่เราเพราะว่าเราที่ไม่มีตัวตนเราปรุงไม่ได้เราได้แต่เป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนเราคิดไม่ได้ เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้เราคิดไม่ได้ที่มันคิดว่าเราเนี่ยเป็นตัวตนมันได้แต่เป็นฝ่ายที่คิดเหมือนกับไอ้ลุกปุเนในจารทั้งหมดเลยตอนไม่คิดจะงไงยเราไม่ได้ไปทอะไรมันได้ไงเข้าใจล้วอือเข้าใจแล้วเออมันอยู่ที่เข้าใจกับไม่เข้าใจกันคือเพราะว่ามันมีตรงนี้เข้าไปแล้วเราก็ไปเกาะไอ้ตรงนี้สองแคือมันก็เลยยังแบบแม้แต่เรามีความรู้สึกว่ามีเราเกาะเข้าไปมันก็เข้าไปมันก็ไปแช่มันไม่ใคยเข้าใม่ออก แม้แต่เราจะปรุงว่ามันมีความสึกเก่อเข้าไปเนี่ยไอความปรุงเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นความปรุงแปลงเพราะว่าไอธรรมชาติรู้เนี่ยมันปรุงไม่ได้แต่มันรู้ได้ว่าตอนนี้มันปรุงเป็นเหลาเข้าไปเกาะเป็นเพราะว่าเรายังไม่คือมันยังเหมือนยังไม่ทันกับตรงนี้เหมันยังหลงอยู่กับตรงนี้ใช่ไหมครับยังยังไม่เข้าใจกับตรงนี้เออไม่ใช่ว่าเราไม่ทันนะ แต่เรายังไม่เข้าใจกระบวนการตรงนี้ยังไม่เข้าใจธรรมชาติเราไม่เข้าใจธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราต้องไปรู้ตทวแทนให้มันไม่ไปเกาะต้าเราพยายามไปรู้ให้ตัวนนั่นมันเกาะแสดงว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเราคือตัวเรามันไม่มีเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้เข้าใจแล้วอ๋ออ๋อทำไมอ๋อขอคําแนะนําเรื่องการปฏิบัติแต่ว่าทุกวันนี้ปฏิบัติถูกหรือยังค่ะ แล้วปฏิบัติยังไงชื่ออะไรปูไันคะปูไรวันปฏิบัติอย่าง ไ, ออ ไ, ไางไแล้วเป็นยังไงก็นก็มันจะได้ีไงได้มันหมดจะได้อะไรมันจะมีใครได้อะไระตัวเราไม่มีแล้วจะมีใครได้อะไระฟังด้วยเนอะแอบฟังเข้าไปให้ดีตัวเราไม่มีแล้วจะใครจะมีใครได้อะ มันเป็นยังไงก็ไม่มีใครเป็นอะไรเราพาวาเราก็ภาวนามีหน้าที่ภาวนาก็าไปแต่ไม่มีใครจะได้อะไรไม่มีใครได้อะไรเพราะตัวเรามันไม่มีไม่เข้าใจา เออไม่ใช่นะเราเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดคือมันจิตฟุ้งหรือจิตสงบก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าอาการนั้จิตฟุ้งก็เป็นอาการหนึ่งเราก็รู้ว่าจิตฟุ้งอาการนั้จิตสงบก็คืออาการนั้จิตอาการหนึ่งเราก็รู้ว่าตอนนี้อาการนั้จิตมันสงบแต่ถ้าอาการที่ฟุ้งอาการสงบไม่ใช่เราอัน เราน่ยได้แต่รู้ว่ามันมันมีอาการอะไรแต่เราไม่มีอาการเพราะเราไม่มีตัวตนได้แต่รู้เราไปทนาตรู้ที่ไม่มีตัวตนดงนั้นเราจึงไม่มีอาการอะไรเลยได้แต่รู้ที่เป็นเป็ความไม่มีตัวตนดนั้นจิตฟุ้งไม่ได้แต่รู้ว่าจิตฟุ้งเพามเาบอกเราได้ไงเพราะว่าเราเนี่ยคือผู้รู้เป็นพุทธะพุทธะหรือผู้รู้เนี่ยมันก็รู้ว่าตัวนี้จิตฟุ้งตัวนี้จิตมันสงบไม่มีอาการเมื่อกี้ก็บอกว่าได้ว่า ตอนนี้จิตมันสงบมากเลยไม่มีอาการตอนนี้จิตมันคับคล้องจิตมันเป็นอย่างน้นจิตมันอึดอัดจิตมันคลับคล้องจิตมันเป็นอะไรเน่ะเขามาบอกได้ทั้งหมดเลยไอ้ที่จิตเป็นอาการแต่ละอาการไม่ใช่เราสักอันนะเรามันคือผู้ที่รู้ว่าจิตเราเป็นยังไงแล้วมาบอกเราได้สังเกตไหมเมื่อกี้บอกได้หมดเลยวบุ๋งซานตอนนี้สงบตอนนี้อึดอัดตอนนี้คลับคล้องใจตอนนี้รู้สึกอย่างนู้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ต่อให้เป็นอะไรก็ตามมันบอกได้หมดเลยไอ้ผู้ที่บอกเราได้เนี่ยนั่นคือเรา แต่อาการของจิตแต่ตอนมันพุ่งซ่านมันอึดอัดมันขับคล้องมันว่างเอาสงบและนิ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้มาบอกเราได้เนั้นอาการต่างๆที่มันถูกรู้แล้วมาบอกเราได้มันไม่ใช่เราเราเนี่ยสามารถรู้มัอนเรามาบอกได้ปะตอนนี้มันอึดอัดมันขับคล้องมันมันสงบมันว่างมันฟุ่งซ่านให้อาการฟุ่งซ่านอาการสงบอาการว่างอาการนิ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้มาแล้วมาบอกเรา ถ้าไม่รู้มันก็มาบอกเราไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีผู้รู้มาแล้วมาบอกเราได้ว่ะให้ผู้ที่มาบอกเราเนี่ยคือผู้ที่รู้แล้วมาบอกเราว่าตอนนี้มันสรงสร้างตอนนี้มันสงบตอนนี้มันนิ่งตอนนี้มันว่าตอนนี้มันอื่นอัดขับคล่องไอเราเนี่ยคือผู้ที่รู้มาแล้วมาบอกเราได้แต่อาการที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นสังขารที่ไปเที่ยงมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างมันยังไเป็นเรื่องปกติแต่เราได้แต่รู้ว่าเป็นยังไงแต่อาการจิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันอะไรเป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวจะดีมากไม่ดีมากอะไรเนี่ยเรื่ปกติเพราะมันไม่กล่องไม่เที่ยงบทีผู้รู้สมมติว่าถ้าวันไหนจิตไม่สงบหรือมันก็คือถ้าวันไหนจิตไม่สงบหรือฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะนั่งไม่ได้มันก็สุดนั่งนั่งในแบบเนี่ยมันก็สุดอึอัดแล้วก็ต้องแบบลุกละนั่งไม่ได้ใช่เพราะว่าเราเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจว่าเราไม่มีไม่มีตัวตนเราจะอยู่ในระบวใดมันฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่เราเก็ว่าเราเราเป็นผู้รู้อ่ะเป็นพุทธะ แตจิตมันฟุ้งซานไม่ใช่เราก็เป็นเรื่องของจิตมันไปแล้วมันเปลี่ยนไปมันจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ใช่เราสักอย่างหนึ่งมันเหมือน เ, น เ, น เ, น เ, นเนงีน้นหลวงพุทธาพระอาจารย์เราเนี่ยเวลามีลูกศิษย์คนหนึ่งมาเล่าให้เราฟังเขาบอกว่าจิตก็าฟุ้งซ่านมากเลยแล้วเขามุนงิีกับจิตที่ฟุ้งซ่านมาหลายวันคุณงหนีกับจิตที่ฟุ้งซ่านมาหลายวันเขาก็เลยเข้าไปหาหลวงทาหลวธาก็อบอกว่า ฟุ้งซ่านก็เอาไม่ฟุ้งซ่านก็เอาเอามาทางนั้นแหละแค่นั้นแหละใจที่เขาเป็นทุกข์กับจิตที่ฟุ้งซ่านจะจาไม่ฟุ้งซ่านให้มันไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเขาไม่ทุกข์มากเลยมาหลายวันเนี่ยเขาจะทำพยายามให้จิตที่มันฟุ้งซ่านให้มันหายฟุ้งซ่านมันหายไปเลยในใจเขาคือเขาไม่ทุกข์กับจิตที่ฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเลยแต่ตอนนี้อาการของจิตที่ฟุ้งซ่านกับไม่ฟุ้งซ่านก็ยังมีอยู่แต่เขาไม่ทุกข์กับมันแล้วเข้าใจไหม ใจค่ะตนูไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเขาใจถูกหรือเปล่าคือเกือบจะเข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจแต่ก็เกือบจะเข้าใจแนวทางที่ปัจิบัติที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้หนูตามมีอะไรที่แนะนํำไหมคะว่าตรงกั น, นก็คือว่าเราต้องมีความเข้าใจมาสักก่อนเราถึงจะปฏิบัติได้เมื่อเรามีความเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ทําผิด ถ้าเราไม่เข้าใจเราเหมือนกับว่าเราจะเดินทางมาที่นี่พอเราเข้าใจเส้นทางชัดเจนเราก็จะไม่เดินหลงทางเราต้องเข้าใจเส้นทางที่ชัดเจนซะก่อนคือเราสรุปแล้วคือเราแต่ละคนเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้จักว่าเราเนี่ยคือใครเราไม่รู้จักว่าเราเนี่คือใครเราเป็นใครเราไม่รู้จัก เราไม่รู้จักว่าเราคือใครแล้วใครคือเราเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยใครคือเราเราคือใครเราไม่รู้จักจริงๆพระโพธิธรรมเนี่ยพระอรหานจากประเทศอินเดียไปประเทศจีนไปพบกับกษัตริย์กษัตริย์ถามท่านว่าแล้วท่านคือใครไม่รู้จักไม่มีตัวใครคือเจ้าไม่อิศรเส้นหลงเข้าไปในในที่ใดก็ไม่รู้อยู่ที่หลงเข้าไปแล้วมีพระนั่งอยู่ปช๊ ถ้าเป็นใครเนี่ยถามถามพระที่นั่งพระที่นั่งอาผ้าปิตัวอยู่ถามว่าท่านคือกครพระลูกนั้นก็บอกว่าเราเนี่ยคือเจ้าจะมาคือเรายัางไงใครเจ้าเนี่ยไม่รู้จักตัวเจ้าเองแต่เราเนะี่ยรู้จักตัวเจ้าใครก็รู้จักเรานเพียงแ้่ไหนเพราะเราเป็นองค์ชายสามจะได้ขึ้นกองราชของปริทอินเดียสมัยก่อนนะอินเดียมีกษัตริย์บอกว่าใครก็ยังรู้จักเรา แต่พระนันก็เลยบอกว่าเจ้าเนี่ยไม่รู้จักตัวเจ้าทําไมเราจะไม่รู้จักตัวเจ้าเจ้าไม่รู้ว่าท้ายลงใครคือเจ้าก่อนมาเกิดใครคือเจ้าเมื่อมาเกิดแล้วเจ้าคือใครก็เลยงงก่อนมาเกิดใครคือข้าเกิดมาแล้วข้าคือใครก็หาอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วข้าคือใครที่สุดเขาจะเป็นค้นพบตัวตัวเอง คนพบตัวเองก่อนมาเกิดใครคือเราเกิดมาแล้วเราคือใครเนี่ยไอความไม่รู้ตรงเนี้เขาเรียกวาวิชาก็อตอนที่เรามาเกิดเนี่ยเราไม่ได้มีตัวเราเนี่ยลอยมาจากฟ้าตัวเราไม่ได้ลอ ย, อยา ม, ลาา ม, มาจากฟ้ามานั่งอย่างนี้เป็นรูปร่างเป็นตัวตนเราลองพิจารณาตามให้ดีๆตัวเราไม่ได้ลอยมาจากฟ้ามานั่งอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เรามาจากไหนเราแรก อ, อยู่ในอยู่ในท้องแม่มาจากไหน มีรูปร่างไปใหญ่ไงเราลองพิจารณายอ้อนหลังกลับไปให้ดีๆว่าเรามาจากไหนอะตอนอยู่ในท่องแม่นเป็นยังไงมาจางไงถึงจะถึงเริ่มต้นมาจางไงเราก็เรียนมาด้วยว่าดั้งเดิมเรามายังไหนก็มาจากสเปิร์มสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ผสมกันสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ผสมกันมามาที่จุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นเลยมาจากสเปิร์มของไข่ผสมกัน แล้วมันก็เริ่มเป็นอะไรนะเขาว่าพอสมกันเสร็จแล้วแม่ก็หายใจเอาอากาศเข้าไปหายใจเอาธาตุลมเข้าไปเอาธาตุไฟความร้อนในร่างกายเข้าไปขอบคุณมันก็เลยเป็นสี่ธาตุคือธาตุดินคือสเปิร์มของพ่อธาตุน้ําคือไข่ของแม่แล้วก็แม่ก็หายใจเอาธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟเข้าไปมีสี่ธาตุไปสันดาบกันแล้วมันค่อยๆ เป็นหดเลือดโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเล็กๆเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีรูปร่างเป็นตัวตนอย่างนี้ตั้งแต่แรกเราค่อยๆเป็นหยดเลือดเล็กเล็ก็ก็กเลโตขึ้นเรื่อยแต่หยดเลือดเล็กๆแล้วน่ะท่านดูสิพี่นาดูให้ดีว่าหยดเลือดเล็กๆนั่นมันคือตัวเราหรือเปล่าในหยดเลือดเล็กๆทั้งหมดมีตัวเราไหมท่านลองพิจนาดูให้ดีว่า นายดเลือดเล็กๆเนี่ยมีตัวเราไหมนายดเลือดเล็กๆเนี่ยมีอะไรมีสเติมมีไข่มีสเปิ ม, ม, ข ม, เปมของพ่อไข่ของแม่แล้วแม่ก็หายใจเอาลมเอาธาตุลมเออคืออากาศเข้าไปแล้วก็มีความร้อนของอากาศของพระอาทิตย์เข้าไปสันดาบกันไหนอะไม่มีเราเลยในนั้นนะมีสเปิมกับไข่แล้วก็หายใจเอาอากาศเข้าไปแล้วก็เอาความร้อนเข้าไปมีแค่สี่ธาตุนี่เอง แล้วก็เป็นหยดเลือด ก, ก็โตขึ้นเลยแล้วที่โตขึ้นเลยเพราะอะไรแม่ก็กินสาปพืชสาปสัตว์เข้าไปกินสาปสัตว์ที่ตายตายไปหลายตัวกินไปเรื่อยๆวันหนึ่งต้องกินทีหลา ย, ลายตัวเสื้อเอาไปให้ลูกในท้องเกิดเลือดพอได้สาปพืชสาปสัตว์เข้าไปมันก็เป็นมันไม่ได้ ห, หยดเลือดมันไม่ได้กินเป็นเป็นเนื้อหรอกถึงแม้จะเป็นเนื้ อ, อยังไงมันก็ไปย่อยออกมาเป็นน้ําเหลืองเป็นน้าเลือดน้ําเหลืองให้หยด เอาไปเลี้ยงหยดเลือดอนล้ในพองขึ้นหยดเลือดเนี่ยมันพองขึ้นกว่าน้ําเลือดน้ําเหลืองแล้วก็ลมหายใจที่เข้าไปแล้วเอาไฟเข้าไปเผาเพราะว่ามีธาตุลมเข้าไปเผาธาตุไฟให้ไฟเนี่ยมันลุกโชนอยู่ตลอดเวลาไม่ดับเพราะว่าไฟเนี่ยเราไปก่อไฟก่อไฟต้มน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีลมคอยเป่าถ้าในเตาไฟไม่มีปิดปิดช่องลมเข้าหมดไฟก็ดับนั้นธาตุลมเนี่ยก็ไปเป่าไฟในร่างกายให้มันเนี่ย ให้มันติดตลอดเวลาไม่ดับร่างกายเลยอุ่นตลอดเวลาท่านลมก็ต้องเข้าไปเป่าตลอดเวลาคือลมหายใจเราก็ต้องหายใจกับแม่ก็ต้องหายใจเข้าไปช่วยลูกในท้องแต่ตัวตัวเลือดเนี่ยมันยังไม่ใช่ยังไม่มีตัวเราเลยในนั้นอ่ะมันก็มีแค่สเปิร์มไข่แล้วก็ลมท่านลมทานอากาศแล้วก็ทัดไฟแล้วก็สัตว์พืชสัตว์ไหนตัวเราไม่มีเลยแล้วก็พองมาเรื่อยๆพองมาเรื่อยๆ มันก็เป็นหยดเลือดที่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, น, นถ้าพิจารณาตามไปนะว่ามันจริงหรอือเปล่ามันโตขึ้นมาเรื่อยๆพราะหยดเลือดมันโตขึ้นมาเรื่อยๆเราเนี่ยเพิ่งจะมาวิญญาณไงวิญญาณมันเพิ่งจะมาวิญญาณมีสภาพเป็นธาตุว่างหรือธาตุรู้เป็นความว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมีแต่รู้วิญญาณแท้ๆดั้งเดิมของเขาเนี่ยคือเป็นความว่าง มีคุณสมบัเป็นความว่างแต่สามารถรู้ได้เป็นความว่างที่รู้ได้เป็นความว่างความเนความไม่มีตัวตนเหมือนดั่งอากาศเนี่ยแต่รู้ได้เพิ่งจะมาเพ่งจะเข้ามาผสมนั่นแหละคือเราเราจึงบอกว่าไอาที่บอกว่าเรามีอาการอย่างนู้ดอาการอย่างเงี้ยมันใช่เราจริงๆหรือเปล่าเราเนี่ยมีแค่รู้เฉยๆยังคิดไม่ได้เลยขอธาบรู้เนี่ยเข้ามาผสมกับ เลือดก้อนเลือดที่โตขึ้นที่ประกอบไปด้วยสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่แล้วก็ธาตุลมที่แม่อาดใจเข้าไปแล้วก็รธาตุไฟไปเป่าเอาลมไปเป่าให้ไฟมันลุกโชนใช่ไหมเราโอ้ยเสมอแต่เราไม่มีเลยพอก้อนเลือดตัวโตวขึ้นน่ยวิญญาณนะ่ยเพิ่งจะมาเราเนะี่ยเพิ่งจะมาแต่เราไม่มีตัวเรามาหรอกมันมีแต่ธาตุดั้งเดิมแท้ๆของมันคือความว่างคือความไม่างเปล่ามีแต่รู้เฉย พอข้าวผสมเสร็จมืันจึงเป็นพอข้าผสมกับก้อนเลือดเสร็จปุ๊บมันก็เลยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดขึ้นมาเรียกว่านามขันในนามขันเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไม่เราก็ไม่เข้าใจหรอกว่านามขันเนี่ยมันเริ่มต้นตอนที่วิญญาณมาเข้ า, าผสมเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าพอมันเข้ามาผสมแล้วเนี่ยเราเข้าใจาว่านอ่เลือดเนี่ยมัน จะต้องก้อนเลือดเนี่ยมันจะต้องมีระบบสมองระบบประสาทครบถ้วแล้วมันจึงมีระบบความจําเกิดขึ้นระบบความคิดระบบอารมณ์เกิดขึ้นเลยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดขึ้นอันเนี้เราก็ไม่ทราบ จ, จริงๆถึงใหระบบแบบเนี้ยแต่รู้แต่เพียงว่า้นามาขันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไรมันเกิดขึ้นมาที่หลังก้อนเลือดตอที่วิญญาณมาเข้ามารวสมก่อนคือเราเนี่ยเข้ามารวสมกับก้อนเลือดนั้นคือเป็นเพียงแค่ท า, านว่างเปล่าที่รู้แล้วนามาขันก็เกิดขึ้นเมื่อ เมื่อมีระบบเริ่มในร่างกายเริ่มมีระบบที่สะพูดแล้วคือระบบประสาทระบบสมองแล้วมันก็มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์มีความจําได้ไหมหรู้ถ้ามันมีไม่มีระบบสมองมันจําไม่ได้โอ้ความจํามันอยู่ที่ระบบสมองคนที่รกกับการกระทบ้กระตุ้นที่สมองเนี่ยมันจะเสียความจําไปแล้วมันก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็พี่น้องอะไรก็ชื่อก็จําไม่ได้คนเป็นไนเซอเมอร์ก็จําไม่ได้สมองเสียหายจำเลยไม่ได้เลยแล้วก็จําไม่ได้เนั้น ความจํามันต้องมีระบบสมองที่สมบูรณ์ก่อนแล้วก็มันจึงมีความรู้สึกมนะันคิดถ้าเราเกิดขึ้นเราคิดว่าอย่างไรแล้วพอเสร็จแล้วพอเริ่มมีอย่างนี้เสร็จปุบ๊บร่างกายก็ค่อยๆมีมีสิ่งของมือของแขนของอะไรเริ่มมีออกมาเนี่ยมันก็เริ่มมีแขนขาอะไรงอกออกมาแต่เราไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าไอ ไอ้ความจําความคิดอารมณ์ที่ระ บ, บสมองเนี่ยมันสมบูรณ์ก่อนเล้สิ่งแขนขาเนี่ยมันงอกก่อนหรือว่าไอ้เราว็ไอ้สิ่งแขนขามันงอกแล้วระบบสมองความจําได้ไม่รู้เนี่ยมันถึงเกิดขึ้นคือมั น, นจะปนไปไหนก็ตามสรุปแล้วมันคือเกิดที่หลังไอ้ก้อนเลือดมีมาก่อนแล้วเราเนี่ยเพิ่งจะลอยมาม ก, กระสรมรก้อนเลือดนั้นแล้วมันก็จะมีนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารมียางความความรู้สึกหึกคิดอารมณ์เกิดขึ้นเราสามารถปรุงแต่งเป็นความพอใจไม่พอใจความรักความชังได้จึงมีเกิดขึ้น ตามความจําที่เรารับรู้มาในตามความจําที่เรารับรู้ในปัจจุบันจุปฏิบันที่มักระทบแล้วก็มันก็จะมีเวทนาสัญจาตั้งขามวิญญาณเกิดขึ้นแล้วมันก็งอกออกมาเป็นตัวค่อยๆองขึ้นพองขึ้นเหมือนจริงเลนตัวเล็กๆมีแขนมีขาออกมาเล็กๆตัวเล็กๆค่อยๆออกามาเพลินแล้วค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นก็มาจากแหล่งซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วที่สารพัดแม่จะกินเข้าไปให้เราจะดูดออกไปทางทางโลกแต่ไม่ได้ดูดเอาไปเนื้อสัตว์ไปหรอก ได้แต่น้ำเลือดน้าเหลืองของเข้าไปที่ศัต์ูใจตายแล้วดังนั้นพวกเราจรึงต้องอุทิศตลให้พวกเหล่านี้ด้วยคือวิญญาณของศัตรูต่างๆที่เรากินที่แม่ให้กินให้เราแล้วเราก็มากินต่ออีพเพราะรอจากพ่อแม่มาแล้วเราก็มากินต่อเราก็มากินต่ออีกเนี่ยแล้วก็กินต่อก็ไปเรื่อยๆนั้นไอ้ร่างกายที่เราพองเนี่ยมันคือธาตุพื้นธาตุสัตว์แล้วเราก็กินธาตุลมเข้าไปอีกแล้วก็ธาตุไฟ ส่วนไอ้ธาตดินธาน้าเนี่ยคือสาพืชสัตว์ที่เรากินเข้าไปแล้วกินน้ำเข้าไปเนี่ยดื่มน้ําันตั้งหลายแก้วเนี่ยมันดื่มน้ำนี่ก็ดื่มน้ำเข้าไปวันละหลายแก้วเราก็ดื่มน้ำของธรรมชาติไปเพราะเนี่ยทั้งหมดไอ้ร่างกายที่ฟองมาเนี่ยน้ำที่มันมันฟองฟองฟองมาเรื่อยๆคือกคือเนี่เรากินเรกินวันละไม่รู้กี่แก้วเนี่ยก็คือน้ำธรรมชาติไอ้ร่างกายที่เป็นมีเนื้อหนามังสาก็คือสาตพืชธาตสัตว์ ที่เรากินนไปและอารมณ์ใจก็เป็นของธรรมชาติน้ำไฟก็เป็นของธรรมชาติไม่มีเลยลได้ความรู้สึกนึกิดอารมณ์ที่เรา ม, มีความรู้สึกนึกิดเราก็เป็นนามาคันนี้มันก็มาจากการผสมของวิญญาณะขันคือเราที่ลอยมามาผสมกับน้ำน้ําลมไฟแล้วก็มีวิญญาณะขันเกิดขึ้นเจริญนั้นแต่เราพิจารณาเห็นแบบนี้แล้วเราเราก็ค่อยโตมาถึงแบบนี้จนมานั่งอยู่ต่อหน้าเรา แล้วในร่างกาที่มัอยู่ต่อหน้าเราแล้วก็ความรู้สึกเมืกิจอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นเราแต่แท้แต่แรกเราแต่แท้แต่แรกคือโน่นที่ลอยมานเนี่ยที่ผสมกับดินน้ำลมไฟนั่นแหละแล้วจึงมีความรู้สึกเมืกิจอารมณ์เกิดขึ้นนั่นแหละคือเราแท้แต่พอเราเกิดแล้วมีตัวแล้วเราลืมเลยว่าเราคือใครเราคือใครคืออะไรลอยมาเราคือใครใครคือเรา พอเราเกิดปุ๊บเราก็ยึดเอาไอ้ไอ้รูปร่างกายเนื้อเนี่ยเป็นตัวเราและไอ้ตัวที่มีกายเนื้อเนี่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นนาําระคันเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราสรุปแล้วเราเรายึดตั้งร่างกายและไอ้จิตใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยในชาติทุกชาติไปว่านี่คือตัวเราดังนั้นเวลาเนี่ยเราไปเกิดเป็นสัตว์สัตระหลานมันก็จะยึดเอาไอ้ร่างสัตว์ประหลานนั้นเนี่ยที่มันร่างและที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไหม ทุกชาติไปก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างใหม่ทุกชาติไปเพราะว่าไอ้ความจําได้ไหมรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในชาติเ่าเนี่ยมันก็จะดับไปมันก็จะดับไปดับไปดับไปแล้วก็มันจาไม่ได้แล้วมาถามว่าชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นอะไรจำไม่ได้เพราะมันดับไปแล้วทุกชาติไงแล้วก็มามามามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างชาติใหม่ต่อไปแต่ไม่ว่าจะเกิดเป็ชาติไหนเนี่ยเราเกิดมาแล้วในโลกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นจานปะเภทใดไม่ว่าจะเป็นเปรตเป็นรถกายจตนาโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ทรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเทวดาเปลี่ยนไป แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราสักอย่างทุกร่างจะเปลี่ยนไปยังไงไม่ใช่เราสักอย่างที่มีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์และร่างกายที่มีความรู้สึกมึกคิดอารมณ์เนี่ยมันก็ดับไปทุกชาติแต่เราเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยมันไม่เคยดับเลยเพราะมันไม่มีตัวตนมันเกิดมันไม่จริงไม่มีการเกิดและมีการดับมันไม่ตายเราเนี่ยไม่ตายเลยเราไม่มีวันตายแม้แต่บรรลุนิพพานแล้วเราก็ไม่ตายเพราะมันเป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนมันจึงไม่ไม่แตกไม่ดับ มันก็ไปเข้าร่างใหม่แล้วเราก็หลงว่าร่างใหม่แต่ละชาติเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวส่วนของเราทุกชาติไปเราไปเกิดเป็นงูสัตว์เลคานแล้วก็บอกว่าไอ้งูสัตว์เลคานเนี่ยคือเราคือตัวเราได้เกิดเป็นสติสติเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเราก็หลงอย่างงี้ทุกชาติไปพอเรามาเกิดเป็นรูปร่างอย่างนี้ในชาตินี้เราก็หลงว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาของเราเป็นอย่างนี้พรเราตองกระจกเรามีกระจกตอง แล้วลราเวลาผนเสียมันเกิดขึ้นยังไงเราก็จําไว้ในความรู้สึกว่าเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราจำไว้ในความรู้สึกว่าเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เวลาพอเราตายมันตายแต่กายเนื่อนะอาดีตจาไว้ในความรู้สึกที่เราหลงยึดว่าเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ยมันก็จะลอยออกไปเป็นตัวเราลอยออกไปเป็นตัวตนของเราลอยออกไปแล้วก็ พราะาเราจําไว้ว่าเรามีตัวเป็นตนแต่เราไม่ได้จําไว้ว่าเราคือความไม่มีตัวตนเราเลยกลายเป็นมีตัวตนลอยออกไปทุกชาติแล้วแต่ว่าจากนั้นเราลุปร่างน้าดาไปอย่างไรเรื่องนั้เป็นพอเป็นมีมงานศพแต่ละงานเนี่ยก็จะมีตัวเราเนี่ยลุปร่างเหมือนตัวเราเหมือนคนตายที่เหมือนในคนที่อยู่ในหลงเนี่ยมันก็เดินไปเดินมาในงานศพของตัวเองเนั่นเองมันจะร้องโหมร้องไห้มีแต่ความทุกข์โศกเราเสียใจกับแกนใจ พอถึงเวลาโยะบาลโยมชุนโยมทุตเขาก็ลากออกไปตอนหน้าตอนตาเนี่ยเอาไปลงโทษเพราะตัวมันไม่ไอตัวที่เราสร้างไว้เป็นตัวเป็นตนรูปร่างรูปหน้าตาเหมือนตัวเรามันไม่ดับมาจากใจเราไอ้กายเนื้อแตกดับเลยไอ้กายในที่เป็นกายโปร่งแสงเนี่ยมันไม่ดับแล้วเขาก็มาจับาตัวนั้นไปเพราะเราสร้างตัวเรามีทุกปร่างเราไม่ได้บอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นธาตว่างที่ไม่มีตัวตน เป็น่าชาติหนึ่งแาติใด้เราเข้าใจจริงๆในความรู้สึกของเราว่าอ๋อเราไม่ใช่ตัวเราที่มีรูปที่มีกายเนื้อที่มีความรู้สึกเมื่กินอารมณ์นี้แท้จริงเราคือวิญญาณที่เป็นความว่างเป็นความไม่มีตัวตน แ, แต่รู้ได้เหมือนกับที่โยมมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวมันก็ <c oughs> นกอึดอัดขับคล้องเดี๋ยวก็พอใจเด้วก็ไม่พอใจ <c oughs> ความอึดอัดขับคล้องความฟุ้งซ่านความพอใจความไม่พอใจมันเป็นมันเป็นขันท้ามันเป็น มันเป็นนามขันที่มันเกิดในกายเนื้อนี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นนามขันแต่มันไม่ใช่เราก็เราได้แต่รู้เรารู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่มับอกเราได้ว่าเนี่ยตอนนี้มันมันฟุ้งซ่านตอนนี้มันอาจจะขับข้องตอนนี้มันไม่สบายใจตอนนี้สบายใจไอ้ที่รู้ว่าเราเป็นยังไงเนี่ยไอ้นั่นคือเราแต่ที่เรามีอาการเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นขันห้าที่มาปรุงเันใหม่ในในโลกนี้มันไม่ใช่เรา ถ้าเราเข้าใจตรงนี้คราบปฏิบัติก็ไม่ยากเราจะทําปฏิบัติไม่ว่าจะไปเข้าสํานักไหนมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเราปฏิบัติตามเขาได้แต่เราไม่มีเราได้แต่ไม่มีตัวเราได้แต่รู้ว่าเราไม่มีไม่มีตัวเราขันห้าจะเป็นยังไงมีคามรู้สึกไมีคิดอารมณ์ยังไงจะสบายใจไม่สบายใจหรือตากับข้องใจยังไงไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราทิ่งนั้นเป็นขันห้าที่มาปรุงอร่อยชาตินี้เพื่อปรุงอชาตินี้ก็ต้องแตกดับไปแต่เราไม่ดับ เราเป็นของไม่มีตัวตนเราไม่ดับแต่เราก็แจ้จว่าเราไม่มีตัวตนแล้วเราไม่ดับเพรตายแล้วจิตวิญญาณเนี่ยมันก็หายไปหายตัวไฟเหมือนกับไฟไฟที่ชิ้นเชื้อหรือเหมือนกับเปลวไฟเทียนที่ปุ๊บทุกเผ่าดับไปต่อหน้านี้แต่ถ้าเราแยกเข้าใจว่าเราเป็นตัวนี้เป็นตัวตนคือตัวเราที่นั่งอยู่นี้แล้วเราพยายามจะ หรือว่าเรานี่คือจิตที่มีความรู้สึกเป็นจิตอารมณ์เพราะมันม <A> ีความคิดอย่างนู้เราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้พะจิตมันเป็นอย่างนูเราก็อยากให้เป็นองนี้จิตเป็นอย่างนี้เราไมอยากให้เป็นอย่างงั้นเราก็ไปหลงเอาจิตเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแต่เราไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่ได้มีตัวตนหรอกไม่มีตัวตนของผู้รู้แล้วไม่มีตัวเราแต่แต่รู้ว่าจิตมันเป็นยังไงแต่จิตที่เป็นยังไงไม่ใช่ตัวเราเราพ้นจากจิตสะพนจากกายพ้นก็ไม่ได้มีตัวเราหลุดพ้นแต่คือไม่เข้าไม่มีผู้ตัวตนของผู้เข้าไปยึดถ ใจก็เลยเป็นความว่างเปล่าอยู่ตลอดส่วนขันห้ารูปขันและนามขันคือความรู้สึกนกึกคิลึกก็ยังคงมีอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ดับไปเพราะยังไม่ตายจึกว่าจะตายแล้วรูปขันกับนามขันก็จะดับลงใจที่ว่างเปล่าก็คงกลับไปเป็นใจที่ว่างเปล่าตามเดิมเข้าใจไหมอืมอมันจะมาตรงที่เราบอกเมื่อสักครู่นั่นแหละกระวนกลับมาตรงที่เราบอบกตอนแรกนั่นะ เอ่เปิดใหม่เนอะแต่องหลังก็ได้ยินเหมือนเหมือนตัวเองอะ่ะไปรู้ที่ที่ขัดห้าแล้วก็ไปหยุดหยุดไปตรงขัดห้าแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าไอ้ไอ้ตรงที่มันเรามารู้ไอ้ตัวที่มันไปรู้ขัดห้าเองเราเป็นผู้รู้แต่ตัวเราไม่มีหรอกไอ้เราไม่มีกายการไปรู้หรอกมันได้แต่เห็นว่ามีขัดห้าไม่มีใครไปยึดบ้านถือบ้านคื อ, ค, อคือตอนก่อนก่อนก่อนที่จมาเนี่ยแบบ มันมีอาการของขันห้าแล้วเราก็ไปรู้แล้วเราก็ไปจับอยู่ตรงเอขันห้าตรงนั้นตอนนี้คือรู้เข้าใจแล้วว่ามันตรงเนี้ยคือมันมันมันมันซ้อนไออันเราเข้าใจตรงตรงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติตรงนี้ให้กับศิษย์อจุดห่อดอยู่ตรงนี้เนีะ จนกระทั S <S <an> ่งมันเป็นจ ร, จริงจริงว่ามีแต่เป็นธาตุรู้และกิริยาการของการห้าก็เกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าเพราะธาตุรู้มันคือความว่างเปล่าเมื่อไรใจเรามีแต่ความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไ ม, ม่เกิดดับส่วนกริริยาการภายไหนก็คงมีอยู่เป็นความรู้สึกเลื่อารมณ์เกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าแต่อย่างเนี้ยมานก็เป็นจริงอะต้องฝึกให้เป็นจริงมุ่งหมายจะเป็นจริงไม่ใย่ไปสร้างใจให้ว่างให้เป็นความรู้สึกว่างนะอันนี้ผิดแหะคือคือเหมว่าจากตัวตนไปจิตมั่นถะรือมั่นอะไร มันเลยว่างเปล่าคือพอมาฟังครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเข้าใจแต่พอไปอยู่ในทางโลก น, น, นานๆเข้าบางทีมันก็จะหลงเข้าไปมันก็จะเผลอลุดตปอีกเราก็ต้องฝึกฝึกในเนี่ยเราฝึกใกล้ๆครูบาอาจารย์ฝึกในสามที่ที่เหมาะสมกลับไปบ้านก็ฝึกได้ต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง กักติดจะจออยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนพอเราเข้าใจแล้วถ้าเราไม่ทิ้งมันก็สามารถที่จะเข้าใจมันได้และเจิงเข้าไปถึงสภาพที่ความรู้สึกเมื่ิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครเข้าไปยึดนั่นถือมั่นไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่มีใครเข้าไปเสำรวจเมื่อสิ้นตัวตนของผู้เข้าไปยึดนั่นถือมั่นตัวตนของผู้กข้าไปเสวยมันก็เป็นอัตโนมัติเลยใจก็เป็นความว่างเช่นเดียวกับท่าทีว่างในธรรมชาติในจักรวางที่ไม่มีการเกิดดับ แต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังไม่ตายก็เป็นขันท่าก็ยังต้องเกิดตับอยู่ต้องฝึกใช่ไหมเป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเพราะเราเข้าใจอย่างนี้เราเราต้องกัดติดจดจออยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนไม่ไม่หลับไม่นอนแทบไม่หลับไม่นอนเลยจนกว่ามันจะเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงก็ปล่อยเขาเขาไม่ยอมหล่าที่ถีแรงอันดับแรกตอนดับที่ถีก่อน ระดับที่ผิดไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการบังคับมันไม่ได้เป็นที่ใจทุกอย่างปฏิบัติคือการดับกิเลสในใจตนคือความโลภความโกรธความหลงมรณะที่ติดตัวกิเลสที่ลร้กาลที่สุดไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงมรณะที่ติดตัวใหญ่ที่สุดพูดเจ้าจตรัสว่าเราชักสะพานเสียถ้าปฏิบัติยางไงก็ตามถ้าไม่ดับ ติดติดมาหน้าในใจตนมันก็ไม่ได้ดับกิเลสเหรอกเพราะการปฏิบัติคือการดับกิเลสทั้งทปฏิบัติอยู่อย่างนี้ยมันไม่มันจะคัดทําไปเรื่อยๆจะทาให้มันเบาลงค่ะไม่รู้ก็ <laughs> ต้องดูเองดูเองว่ากิเลสมากขึ้นหรือว่าน้อยลงต่อตัวเราก่อน เมาดรอตัวเราสัาก่อนเราต้องเห็นว่าเราปฏิบัติได้จริงเหนือกว่าเขาเขาถึงจะ ย, ยอมถ้าเราอยู่ใต้เขาเปเลี่ยนเร่ร่งเขาอยู่เขาก็ไม่ยอมหรอกเราแก้ไขก็ไม่ได้เลยจนกว่าเราจะเหนือกว่าเขาคือเราสามารถปฏิบัติเข้าถึงธรรมชาติของธาตุทีท่มัมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่เราก็ยังทําไม่ได้เพราะพูดอยู่นี้เราก็ยังไม่เข้าใจเพราะเราห่วงเขามากแล้วใจเราก็มีอารมณ์ด้วยมีอารมร่วมไปกับเขาด้วย หรที่เขาพูดยังไงเ่ยอารมณ์มปนเาบางหมดแล้วความหมดแล้วพูดยังไงตอนเนี้เราก็ไม่เข้าใจแหละเราก็ไม่เข้าใจเขาไม่ทิฏฐิขวังอยู่มีความมโหโสถาอยู่แต่เราก็เป็นห่วงเขาเราก็มีอารมณ์อยู่ตอนนี้มันก็เลยฟังไม่รู้เรื่องแหลฟังเราก็ไม่รู้เรื่องเราจะพูดยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องออแต่ที่เราชี้ล้วเราบอกเนี่ยคือตัวเมตตาที่สุดแล้วถ้าเป็นท่านอื่นทำไมบอกล่ะอุเบกขาเนี่ถือว่าความบาสนะรู้เห็นแล้วไม่บอกเนี่ย แล้วไม่ถารู้เห็แล้วไม่บอกนี่ถือว่าความบาปนะนั่นะอุเบกขานี่คือการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดของพ่อแม่ครูอาจารย์การที่ดูว่าที่ความจริงให้อันนั้นแน่ถือว่าเมตตาสุดๆแล้วมันเรามันเลยตกอยู่ใต้ความหวังเขาเราจะปฏิบัติยังไงเราก็จะเป็นเดลอร้อตลอดมัน <c oughs> เราก็ต้องปฏิบัติของเราให้ได้จริงๆให้เป็นจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริ ง, รงตามคนรตามปฏิบัติก็แล้วแต่ก็ปฏิบัติไปอย่าเอาใจไปผูกที่ได้ไหมลนะ่ะก็ทําหน้าที่ทุกอย่างนั้นดีแหละแต่แต่ก็เราก็เร่งปฏิบัติของเราไปให้เราพ้นทุกข์ก่อนให้เราว่ายน้ำขึ้นทะเลทุกไปได้เดี๋ยวเพื่อก็จะเข้าใจกันเองกันเลย แต่ถ้าเราหวงกันไปห่วงกันมาๆๆๆเราก็จมน้ําจมทะเลทุกตายเขาก็จมด้วยเราก็จมด้วยนี่ใครเชื่อใครได้หรอเราต้องปฏิบัติตัวเราซะก่อนจะไปห่วงเขาหมายถึงว่าหมถึงว่าไม่ใช่เป็นให้ทำหน้าที่นะแต่ใจเนี่ยเราต้องเร่งปฏิบัติต้องตัวเราต่างคนต่างปฏิบัติมันไม่เหมือนกันจะไม่เกาะเกี่ยวหัวพวัาพานห่วงกันไปห่วงกันมาเอ้ยต้องลากาให้ปฏิบัติด้วยอะไรด้วยไปคอยคุยกับเขามันก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็ทําให้เราอารมณ์เสียปฏิบัติไม่ได้นี่เราพูดตามความเป็นจริงในครอบครัวของท่าน ก็เราเห็นท่านเป็นทุกข์กับเขาแต่เขาก็มีที่จีสองคนจะมันดับได้แลาวก็มีความทุกข์ทั้งคู่หลยอืมแต่จะได้ไหมหล่ะเออมันยังว่าเนี่ยต้งรู้ต้งเห็นแต่มันดับไม่ได้มันเป็นไม่ได้จะทำไงคือมันดับไม่ได้ทั้งคู่คือเราก็ดับความห่วงเขาไม่ได้เขาก็ดับที่จีไม่ได้แล้วจะทำยังไงนี่เนี่ยคือต้นเหตุแห่งทุกข์และเป็นต้นเหตุแห่งความไม่ค้นทุกข์ ไปนั่งสมาธิ <Eleven> ที่ท่านมาถามทำไม่มากอะไรมากไม่ใช่ของจริงของจริงคือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่เป็นจริงแล้วพ้นจากทุกพ้นจากปัญหาและพ้นทุกข์นันไปจริงนั่นคือพุทธเคือพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นจริงของครอบครัวของตัวเราทำเนียดิจะมีความเป็นสุขได้ไม่ทุกข์ไม่ใช่พุทธศาสนานั่นคือการไปนั่งนิ่งๆไปเดินจกมได้ช้าไปนั่งหลับตานิ่งๆไม่ใช่พุทธศาสนา นั่นคือรูปแบบกรรมวิธีให้มันพอที่จสงบจิตใจให้มาฟังเราให้รู้เรื่องหรือฟังครูบาอาจารย์ให้รู้เรื่องแต่แท้จริงอ่ะฟังให้รู้เรื่องเพื่อจะแก้ปัญหาจริงๆของชีวิตนี่ไง น, นี่นคือพุทธศ า, าสนาผู้ศรทธาศาสนาคือกล้าแก้ปัญหาจริงๆของชีวิตทำไมจึงเป็นทุกข์นักชีวิตนี้แล้วก็แก้มันเดี๋ยวก็ตั้งใจมันสิ้นทุกข์ไปนั่นแหละคือพุทธศาสนาแต่คนในโลกนี้เขาใจผิด พุ้ธศาสนาเห็นแต่รูปแบบที่นั่งนิ่งๆเดินช้าๆแล้วผู้ก่อจ้าตาไม่กรอกที่สุดก็เออไปหมดจากคนเร็วๆจากคนมีมีความเฉลียวฉลาดปรากเปื่องแล้วที่สุดก็กลายเป็นคนเออไปหมดเป็นแถวเป็น แ, ว น, แนวเต็มไปหมดเลยพูดก่อชาหันก็ช้ากินก่อ้าเดินก่อชาทําอะไรก่อชาชาไปหมดแล้วตามมก็ไม่กรอบผู้ก่อจ่าแล้วว่าเราสังเกตดูเอ๊คุณนี่เป็นคนนี่เมื่อก่อนนี่ฉลาดปราดเดียวองทีเดียว ฉ, ยวฉลาดมากแล้วเนี่ยเป็นคนค่องแก้วว่องไวเนี่ยทําไมมันช้าๆแบบเนี้ย เมื่อก่อนทำอาชีพอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนนี้เป็นผู้จัดการบริษัททั้งหลายบริษัทเราไม่ผู้จัดการบริษัทต่างหลายบริษัทไม่ต้องคล่องแคล่วว่องไวปะเปียวมากเลยมันต้องจะเหลียวฉลาดมากนะถึงจะเป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่ๆได้หลายบริษัทเนี่ยอุ้ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องไม่ต้องเมมโมรี่เลยไม่ต้องเมมเลยจำได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวนี้จำไม่ได้เลยแล้วมันมันช้าเนี่ยตาแทไม่กรอกเลยเนี่ยหันกระชาไปทั้งตัวเลยเราทำอะไรก็หันชาไปทั้งตัวพูดกระชาทำอะไรกระชาไปหมดอะ แล้วมเริ่มช้าแต่เมื่อไรเนี่ยเมื่อเริ่มช้าตั้งแต่เริ่มฝึกกิจเนี่ยพอเริ่มฝึกกิจช้าเลยแล้วเป็นอย่างเงี้ยหลายคนในมหาลเราเนี่ยพอเริ่มฝึกกิตเนี่ยช้าเลยอีกคนหนึ่งถามว่าทําไมทําไมช้าอย่างเงี้ยดูถ้าถามใป็นคนเฉลี่ยวฉลาดเนี่ยแล้วทําไมมันมาช้าอย่างเงี้ยบอกเอาเก็ ปกกิจแล้วต้องสำรวมไนงะเขาสำรวมคือใจนั่นแหละอย่าให้ไปแอบมีกิเลสอะไรกับใครนแน่ๆคือสำรวมแต่นี่ไม่มันก็ใจผิดสำรวมช้าไปหมดเลยสำรวมอย่าให้ไม่ให้ใจมันไปมีกิเลสอะไรกับใครแน่ๆนนคือสำรวมนี่มันสำรวมท่าทางแต่ใจมีกิเลสมันไม่ได้สำรวมใจแต่สำรวมกายมันก็ใจผิด หลายคนจะตายไปเยอะแยะมาหาเนี่ยต่อยสัมรวมมากฝึกจิตแล้วต้องเรียบร้อยบ้างฝึกจิตแล้วจะต้องนิ่งเฉยฝึกจิตแล้วจะต้องไม่เป็นคนที่กระโดกกระเดกมันวาดภาพเอาเท่านั้นแหละแต่มันไม่ได้แก้กิเลสและความทุกข์ในใจตนแต่มันไปวาดมนโนภาพเอาเอาเอ า, เอาเอาเอาร่างกายตัวเองเป็นหลักการประพูตปฏิบัติธรรมมันแก้ปัญหาของใจแก้ปัญหาที่ใจ แก้ปัญหาชีวิตของเราเองไม่ใช่วิตของใครเลยเรววาปฏิบัติธรรมคือแก้ปัญหาชีวิตของเราว่าทํำยังไงเราจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทำยังไงเราจึงจะหายทุกข์ปัญหาของเราที่แท้จริงตอนนี้คือปัญหาของที่เราจิตใจเราเกาะเกี่ยวเป็นทุกข์เราไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําหน้าที่ก็อยู่ด้วยกันนี่เนี่ยทาหน้าที่ด้วยกันที่สมบูรณ์ แต่เวลาต่างคนต่างปฏิบัติก็ดีแล้วแล้วก็สนับสนุนต้องควต้องมีาปฏิบัติด้วยกันจดีมากเลยประเสริฐมากแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันไปคุยกันมันมันมันจะทําให้ทะเลาะกันเพราะว่ามันมันความเห็นไม่ค่อจะตรงกันแล้วเราก็ปฏิบัติของเรานั่นแหละให้เกิดความรู้เราเห็นก็้าใจายต่างคนต่างปฏิบัติทัพก็ปฏิบัติเมี่ยกับปฏิบัติมันปฏิบัติได้พรอใครมันปฏิบัติได้มันก็เออมันก็สามารถที่จะจับจุงอีกฝ่ายหนึ่งได้ เราก็เล่นปฏิบัติจะเพะิ่งผูกพันกันก่อนใจอะ่ะมันก็จะปฏิบัติไม่ได้แบบเนี้ยเพราะว่ามันมีอารมณ์ความห่วงเขาความรักเขาความกังวลเนี่ยมันมาบาังหมดมันเป็นกิเลสมาบังใจหมดมส่วนสามีเราก็เป็นทิฏฐิมีทิฏฐิเราก็ไม่ได้ดับทิฏฐิไปไอ้ตัวนี้ยถึงปฏิบัติยังไงมันการเป็นเพื่ปฏิบัติทำคือการดับทิฏฐิความโลภความโกรธความหลงมานาทิฏฐิหรือทิฏฐิมานาเนี่ยมันมีทิฏฐิอยู่ไม่ได้ดับกิเลส ที่ตีนเป็นกิเลสไม่ได้ดับปฏิบัติยังไงก็ตามยิ่งมีความรู้ความเห็นมากที่ตี่มากมันก็ยิ่งมีติกิเลสมากมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเพื่อละกิเลสมันทำให้เป็นทุกข์เป็นไหมเนี่ยไปเห็นอยู่ในใครก็ใครก็รู้อยู่แล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์การพูดปฏิบัติธรรมมันให้สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสไอ้กิเลสนี่เนี่ยทำให้เป็นทุกข์ก็ใครก็เห็นอยู่เนี่ยแต่ตัวก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ารู้มากเรียนมากเข้าใจจมมมาาาาาากกํไดด้สสรถพูแฉนนะ แในใจมีความทุกข์อยู่ในใจมีความทุกข์ทุกเพราะกิเลสทุกเพราะความเห็นมากก็ะทะเลาะ ก, กันเห็นไหมมายอมไม่ยอมกันไม่ยอมคนอื่นมันเป็นที่ผิดมานานเป็นกิเลส น, นั้นการรู้ปฏิบัติธรรมก็คือสิ้นกิเลสสิ่นกิเลสก็คือสิ้ความทุกข์นั่นแหละมันจะทําให้เราเนี่ยเออคนทั้งหลายฟังมันก็จะได้เข้าใจไปเดอเออตรงทเนี้ยมันปฏิบัติก็เริ่มต้นที่วาดวาดภาพมนโนภาพ ที่แตกต่างกันไปเลยวาจะต้องไม่รูปแบบอย่างนั้นรูปแบบอย่างนี้รูปแบบอย่างนั้นและที่สุดกลายเป็นคนที่ของแกว่องไวป่าเปียวเฉลียวฉลาดแล้วที่สุดก็ซื้อบื้อไปเรื่อยๆใดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด่าว่าโง่ดักดานแลวจะโง่ดักดานฝึกให้โง่ดักดานไปงี้กี่พ่อกี่ชาติฝึกจากคนที่เฉลียวฉลาดและโง่ดักดานมากขึ้นโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์กัดแทกแรงๆซะเยอะแล้ว่าฝึกโง่ดักดานเฉยเฉยเฉยอย่างนี้มันจะเฉยอย่างนี้ไปกี่พ่อกี่ชาติฝะกฝึก ทำให้ง้ดับนานได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะบางที่ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เพื่อนฝูงที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมกลัวเลยว่าปฏิบัติธรรมแล้วง่แบบเนี้ยไม่มาปฏิบัติธรรมดีกว่าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วโง่แบบนี้ไม่มาปฏิบัติดีกว่าเพราะก่อนมาปฏิบัติธรรมเฉลียวฉลาดทันคนทันเหตุการณ์มากเลยโอ้โหเป็นคนที่ทันคนมากเลยเฉลียวฉลาดทันคนมากเลยเพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ย เฉยซื้อบื้อไม่ทันคนไม่ทันเกมอะไรเลยทําอะไรก็ไม่ทันคนไม่ทันเรื่องราวไม่ทันเหตุการณ ok ์ของโลกใครกระทบไม่ได้เลยแตะที่เดียวน้ําตาไหลแตะที <combine unseren> ่เดียวน้ <Alright>. ําตาไหลเอามื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยทําไมยิ่งมาปฏิบัติธรรมมาจึงเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงหรือคนอื่นคนโน้นคนนี้ว่าหน่อยอ่ะแตะที่เดียวร้องไห้เป็นวักเป็นเวนเอามาก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยมอก่อนแข็งแกร่งมากเลยเฉลียวฉลาดป่าดเปรียวมากเลยทําไมเป็นอย่างเงี้ย ยิ่งปฏิบัติธรรมไปยิ่งน้อยขี้น้อยใจใครพูดนิดเดียวร้องไห้ใครพูดนิดเดียวร้องไ ห, ดดงห้โอ้ยนี่มันผิดแล้วมันผิดจากธรรมชาติที่คนทุกข์แล้วยิ่งปฏิบัติไปยิ่งทุกข์มากเราเห็นแบบนี้ปฏิบัติตรงกันข้ามกับความจริงไปหมดเลยยิ่งปฏิบัติมันต้องความทุกข์มันต้องหายไปจากใจนี่มันยิ่งปฏิบัติยิ่งกบทุกเอาไว มกบทุกเอาไว้นะไม่ได้เป็นความจริงไงกบทุกเอาไว้เราสอนไปสอนแต่ละที่เราก็เอาแหละพอเลิกสอนแล้วก็ขอหลังใหม่ร้องหม่มร้องไห้มาอยู่วัดตั้งสี่ห้าปีแล้วอาจารย์สามีเป็นมีเมียน้อยเขาจะกลับมารับหนูไหมเนี่ยร้องหม่มร้องไห้อย่างนี้ก็ไอมาเนี่ยมาอยู่วัดตั้งสี่ห้าปีแล้วมา อ, อาจารย์ สามีไปมีเรียน้อยแล้วไม่กลับมาเลยเนี่ยก็จะกลับมารับหนูไหมเนี่ยหนูมามาอยู่วัดตั้งนานแล้วตั้งสี่ปีแล้วอย่างเงี้ยเ้ยมันมันมาอยู่วัดมาปฏิบัติมันกบเอาไวเ้เฉยย่อยคนเดินยิ้มไปยิ้มมายิ้มไปยิ้มมาเราบอกว่าอ้ทำไมมันยิ้มแต่ใบหน้าละ่ะใจไม่ยิ้มอ่ะร้องไห้เลยแค่นั้นอ่ะร้องไห้เป็นรักเป็นเวรสามีไม่ดีอย่างคุณสามีไม่ดีอย่างนี้ร้องหอบร้องไห้คุ้มฝ่ายต่อหน้าคนเจ๊เจ๊เนี่ย แล้วะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมาอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่การเป็อย่างนี้ไปได้เหรอโอ้บาพทีสอนจนจบคอร์สหมดแล้วมาปฏิบัตินุ่มขาวขมขาวว่าจบแล้วก็ร้องไห้หนูมาปฏิบัติธรรมถูกสามีกันแน่กนันแหนถาดถางจะทํายังไงกับสามีดีร้องโ่มร้องไห้อยู่เนี่ยโอ้ตายดูเนี่ยมันไมไ่มากดเอาไว้มันไม่ได้ปล่อยวาง จะมาสะกดเอาไว้เฉยๆแลไม่ได้ไปล่อยวางหรอกสะกดความทุกข์หนีความทุกข์มาแล้วมาอยู่สบายเดินยิ้มไปยิ้มมาสบายเดินก็ยิ้มนั่งก็ยิ้มเดินจงกรมก็ยิ้มสบายแต่สบายนี่หารู้ไม่ความสบายเกิดขึ้นเพราะอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบริสุทธิ์ ไม่เรู้สึกว่าสบายใจแต่สบายใจนั้นไม่ได้ตัวเองไม่ได้ทำเองเกิดจากความอยู่ใต้ต้นโพต้นใสล่มโหล่มใสของท่านด้วยอำนาจจิตของท่านจึงสบายเป็นล่มโผล่มใสด้วยอำนาจจิตที่บริสทธิ์ของท่านจึงรู้สึกสบายแต่ตัวเองยังไม่ทํ้ทำเองเลยตัวเองไม่ได้ปล่อยวางเพราะปล่อยวางจึงจะสบายแต่ตัวเองไม่ได้ปล่อยวาง ตัวมีปัญหากับครอบครัวมาแต่ละคนน่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะทำผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วแต่ละคนก็มีปัญหาในครอบครัวมาทั้งน <invece> like AH like like ั้นเนี่ยปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องสามีปัญหาเรื่องพี่น้องปัญหาเรื่องลูกหลานปัญหาเรื่องอะไรสต่ละพัฒจะปัญหาในครอบครัวทั้งนั้นเลยแล้วผู้หญิงก็มามากกว่าผู้ชายเพราะว่าอะไรก็เพราะผู้ชายเนี่ยมันมีทางออกไปกินเหล้าไปเอายาไปไปสนุกสนานไปอะแล้วก็เลยเทเมาอะไรไปมันก็เลยมีทางออกผู้ชายมีทางออกเยอะแต่ผู้หญิงไม่มีทางออกอ่ะ จะไปกินเหล้ า, มาเมายาไปเล่นไพ่เล่นการพนั้นจะไปไออย่างผู้ชายก็ทําไม่ได้สังคมจะตาหน้าเอาว่าเอาสามีก็จะว่ า, าด้วยผู้หญิงทําอย่างนั้นไม่ได้ผู้หญิงเลยมีทางเดียวออกทางเดียวคือไปอยู่วัดแจะไปอยู่วัดกัน ด, าดน่าดื่นจะไปอยู่วัดไม่ได้แก้ปัญหาใจไม่ได้ปล่อยวางแต่นี้ปัญหาไปแล้วก็ไปเก็บกดเอาไว้แล้วแต่ไม่ได้ เราแต่เราร้องไห้แต่เราร้องไห้น้ําตาไหลกันทุกคน่เพราะอะไรมันไปกดเอาไว้แต่มันไม่ได้ปล่อยวางเราเห็นแล้วเราก็พยายามบอกว่าให้พิจารณาเขาเอาคําสอนไปพิจารณาเข้าพิจารณาเห็นว่าร่างกายคือความรู้ร่างกายเนี่ยเป็นธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยมันเป็นของปรุงแต่งของไม่เที่ยงไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไฟนํามาขานนีมันของปรุงแต่งมันเป็นของไม่เที่ยงที่มาเกิดเอาที่หลังในโลกนี้ให้เราถึงธาตุรู้ ซึ่งเป็นวิญญาณที่มาผสมกับเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยก็ไม่ประพฤติปฏิบัติไม่พิจารณาอะไรครับสบายเดินยิ้มไปยิ้มมาเดินจงกรมกอดสบายนั่งกอสบายเดินยิ้มไปยิ้มมาแต่สบายนั้นไม่ได้พิจารณาแล้วปล่อยวาง่ะพิจารณาเห็นความจริงจึงปล่อยวางเมื่อพี่ารณาเห็นความจริงแล้วใจยังปล่อยวางจต่ความหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าในกายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเมื่อสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่น ว่าสังขารร่างกายจิตใจเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือสิ้นผู้ที่ไปหลงยึดมั่นถื่อมั่นไม่มีตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นเพราะเราคือเข้าไปสู่ความว่างเปล่าคือธาตุรู้ที่เป็นความหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของจักรวาลที่ไม่มีตัวตนไม่มีการเกิดดับไม่มีกิริยาการใดเมื่อสิ้นตัวตนของผู้ไปเสวยที่ตัวตนของผู้ไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายจิตใจของตัวเองมันก็เลยไม่มีตัวตนเนี่ยไปยึดสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานคนอื่นในโลกนี้ทั้งหมด มันก็อยู่ได้กันได้ใจที่ไม่ทุกข์เพราะว่าใจมันเป็นความว่างเปล่าซะแล้วตรวจร่างกายกายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังไม่ถึงข่าวเสีนอายุไขมันก็ยังไม่แตกดับเท่ากว่าเสียอายุไขร่างกายที่เป็นกายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันจริงจะดับไปเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าแต่ในชีวิตเป็นอยู่ประจําวันใจมันว่างเปล่าเซะแล้วมันก็เลยไม่มีตัวใจไม่มีตัวตนที่ไปยึดอะไรคือไม่ยึดร่างกายจิตใจของตัวเองแล้ว มันก็เลยไม่มีตัวตนเนี่ยไปยึดอะไรในภายนอกมันก็เลยมีความไปอยู่ในโลกนี้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์แม้แต่จะมีครอบครัวอยู่ด้วยกันแใจมันก็มายึดกันใหเป็นทุกข์เนี่ยมันต้องปฏิบัติอย่างเนี้แต่มันไม่ยังไงนะเวลาว่าปฏิบัติมันอยู่กับความสบายเดินยิ้มไปยิ้มมาสบายใจเราก็ไปดูแล้วมันไม่จริงนะเนี่ยความสุขสบายต้องเกิดจากการปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นนี่ยังไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้พิจารณาอะไรเลย มาอยู่สบายสบายอยู่ใต้ล่มโพ ล, ล้มใสของโดยอํานาจจิตที่มันจิตบริสุทธิ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จิตทำให้รู้สึกสบายทุกเข็นเนี่ยบาดมาก็มาอยู่สักพักเดียวก็ค่อยๆสบายขึ้นแล้วก็หลงและหลงในความสบายนั้นว่าความสบายนี่เรามาปฏิบัติถึงส่วนความสบายแล้วพอเราพูดบ่อยๆว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราให้พิจารณาเข้าในความเป็นจริงของสังขารร่างกายใจิตใจเป็นของไม่เที่ยง เรามันคือวิญญาณที่มาเข้ามาผสมนี่ไอ้ร่างกายกายเนื้อที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันไม่ใช่เราแต่แรกนะเราเนี่ยมันลอยมาเราไม่ใช่ตัวเราในมีรูปร่างกายเนื้อที่มานั่งฟังเราเนี่ยลอยมาจากฟ้าแต่เราคือวิญญาณที่มันเข้ามาผสมกับสเปิร์มกับไข่แล้วก็วิญญาณเข้ามาผสมเราเนี่ยเป็นวิญญาณที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยแต่เรามันลืมไปพอเข้ามาผสมแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนสายล่างไว้เป็นอะไรมันก็ไปยึดเอาร่างใหม่ ล่างนี้และล่างใหม่ทุกชาติไปว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรามันลืมไปเลย ว, ว่าเราคือใครใครคือเราเรามันคือวิญญาณที่ว่างเปล่านั้นที่มีสภาพได้แต่รู้เราลืมตรงนี้ไปเราเลยยึดและหลงเนี่ยเป็นทุกข์เองเนี่ยเป็นทุกข์อยู่อย่างงั้นแหละแล้วพอเราไปเตือนนาเขาบอกว่าให้ให้พิจารณาเข้าพิจารณาเขาอย่าอยา่ยาอยู่กับกระบายิ้มไปยิ้มมาอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่พ้นทุกข์หรอกมันไม่เดี๋ยวพอออดจัก ล้มโว่ลมใสของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปมันก็ไปโดนแดดกันร้อนแล้วคือไปกระทบกันกลับบ้านกระทบกันก็โดนแดดแล้วก็จะทุกข์หนักกว่าเดิมนะเนี่ยทุกข์หนักกว่าเดิมกว่าที่จะออกมาอีกไม่เชื่อเราพอเราพุทธมากเข้าอึดอัดขับข้องใจมโหเราตว่าใส่เราเลยว่าม่อยู่วัดนี่ไม่ได้บุญเลยเหรอเฮ้ยมาอยู่วัดนี่ไม่ได้บุญเลยหรือไงอะไรเงี้ยดุเราอีกไม่รู้ตัวเพราะว่า มันสบายอยู่ดีๆเราบอกใ่รให้พิจารณาไปสบายทำไมพิจารณาอะไรดูสุดท้ายพอกลับบ้านไปเป็นไงแต่และคนมีปัญหาเลยแต่นเนี้ยมันเคยสบายสบายอยู่ดีกลับไปบ้านไปทะเลาะกันแล้วแต่เนี้ยเพราะว่ามันไปมันเคยสบายสบายกลับไปบ้านเลยทะเลาะกันทะเลาะบางทีบางคนกลับไปเสร็จแล้วต้องไปหาจิตแพทย์พวกทางบ้านก็โทรศัพท์มาว่าว่าก่อนมาวัดอยู่ดี พอจากวัดไปทําไมต้องไปหาจิตแพทย์ก็ อ, อย่างเนี้ยมันไม่มันไปเอาแต่ความสบายก็กลับไปมันก็เลยทนไม่ได้แต่เนี้ยมันจะเลาะ ก, กันเนี่ยนี่ของจริงเลยเจอมาเยอะเลยแบบเนี้ยมันควาไม่เข้าใจนะอ้าไปดูเขาหน่อยอืมอีแบบที่ผ่านมานี้เหมือนเราไปสเสวยกับมันเยอะมากเลยคือแบบว่า พอวันมีอาการทางจิตยอย่างไร เ, เราก็เข้าไปเข้าปั๊บี่ตรงนั้นก็เข<ะ>้าใจแล้วค่ะสาธุสาธุอ่ามีใครจะถามอะไรไม่เพราะว่าเดี็ดทุ่มหนึ่งจะต้องไปไปสวดมนต์กับเขาทางทางวัดก็มีสวดมนต์ประจำปีเอาเข้าม า, เ, าเข้ามาแล้วไหนเข้ามาเนี่ยอำไมอ่ะไม่ไร รู้สึกว่าเหมือนเีอะไรมาขัดขวางเรื่องการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะคืองานมันมันหนักมากแล้วก็ไปเด็ดฟังเวลาในส่วนอื่นนะคะจะเป็นไงอ่ะอ่อใจมันเลยไม่ยอมค่ะใจมันไม่ยอมรับในงานที่มันหนักตรงนั้นนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีความทุกข์กับสิ่งนั้นนะคะ มันก็หนักแต่กายแหละไม่มีใจแล้วมันจะมีอะไรหนักปะไม่มีอะไรหนักทั้งกายและใจมันก็หนักแต่กายแหละงานหนักยังไงมันก็หนักแต่กายแต่นี้มันเป็นมันมีใจมันมีตัวใจที่ยึดมันก็เลยหนักใจด้วยต้องพิจารณาที่เขาพูดเมื่อกี้มากๆในเมื่อใจก็ไม่มีตัวตนไม่มีร่างทาไมไม่หนักใจอะ่ะ เพราใจมันก็ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่แต่รู้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วปั๊รู้อย่างอื่นหมดรู้รสรสกินเตียงสัมผัสอารมณ์มันได้แต่รู้แต่ตัวตนมันไม่มีเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรที่เป็นบจุอยู่ในมันได้เพราะมันเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีอะไรมือนหากระเทียมให้ปาลาที่ที่เราเอาไปปรจุมันไว้ได้แต่ทํามันหนักใจได้เพราะใจไม่มีตัวตนเน่ย อาการที่หนักใจมันเพียงกิริยาการที่เฉยใจไม่มีตัวตนมันไม่ไม่มีหนักอะไรได้เราเขาได้แต่รับรู้ว่ามีกิริยาการที่หนักอยู่ในใจแต่ใจมันไม่มีตัวตนมันได้แต่รู้ว่าตอนนี้มีกิริยาการที่หนักเกิดขึ้นในใจคือมันมีเด็กคนนึงมาเกิดขึ้นในใจคือเด็กที่มีอาการที่หนักอาการที่หนักใจเดี๋ยวมก็คลอดออกไปก็เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่หนักใจแต่ใจก็ได้แต่รู้ว่ามีเด็กอะไรมาเกิดในใจแล้วมันเดี๋ยวก็คลอดออกไป สุขใจมันก็เป็นเด็กตัวนี้เด็กที่ชื่อสุขใจมาครับมาเกิดในในใจแล้วก็คลอดออกไปแต่ใจมันไม่ใช่อาการที่มาเกิดขึ้นในใจเพรใจมันได้แต่รู้มีอะไรมาเกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปมีอะไรมาเกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปแต่ใจมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรใจเหมือนกับเหมือนจับคันหรือมดลูกแต่อาการทั้งหมดเนี่ยถ้าที่หนักใจแล้วสุขใจอ่ะมันเป็นเด็ก ที่มาเกิดในคันแล้วก็คลอดไปหายไปแต่ลราไปเอาเอะอาการที่หนักใจอาการไม่สบายใจเลย่างเป็นตัวใจซะแล้วเป็นตัวคันนั่นแหละมันไม่ได้เป็นตัวเด็กมันก็เลยเป็นความทุกข์จริงๆเข้าใจไหม